วันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ําแรมแปดค่ําเดือนเจ็ดเป็นวันที่บัติธรรมของพวกเราถ้าว่าผู้ที่สมาทานศีลก็เป็นวันสมาทานศีลประจําของตนเองถึงจะเป็นศีลห้าหรือศีลอุโบสถก็เป็นวันพระที่เป็นวันที่รําลึกเป็นวันรักษาศีลแต่าตามไม่จริงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุปดระหว่างแล้วไม่ค่อยได้ทำการทำงานแล้วก็อย่าไปคลุกกับงานกับลูกหลานเขามากเกินไปกับปล่อยๆวางๆห่างๆบ้างแล้วก็ตรงไหนที่มันขาดเหลือจริงๆยังค่อยพูดค่อยกล่าวยังค่อยแนะนำเขาหรือหาส่วนเพิ่มเข้าไปช่วยเขา ส่วนเพิ่มก็ทําอะไรก็คือหาคนการคนงานมาช่วยเขาจุดที่มันบกพร่องถ้าว่าเราลงไปทําเองก็ยิ่งติดไปอีกล่ะท่นเอเพราะฉะนั้นรู้จักวางแผนงานของตอนเองเหมือนกันงานแผนข้างนอกงานแผนข้างในข้างนอกก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องข้างในก็นคือศีลธรรมรักษาศีลให้ฐานไหวพระสวดมนต์ก็อย่าให้ขาดตกบกพร่อง นั่นแปลว่าเป็นผู้สมบูรณ์สมบูรณ์ตามอัตภาพอัตภาพของเราเป็นยังไงอัตภาพของเราเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นข้าราชการระดับไหนอันนี้ก็ให้รู้จักวางตัวตามอัตภาพคือข้างนอกก็อย่าให้ขาดตกปกพรองอย่างที่ว่านั่นนะหน้าที่การงานการทํามาหาเลี้ยงชีพขาดตัวไหนขาดตกบกพ ร, ปปรองเราก็เพิ่มเติมเข้า แต่ส่วนภายในเนี่ยเป็นเรื่องของเราก่อนนอนไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาใหม่ๆให้ตั้งนาฬิกาก่อนก็ได้นะตั้งนาฬิกาก่อนถ้าตั้งนาฬิกาสักห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีแต่หลวงพ่อว่าสักสามสิบนาทีแล้วสาหรับครวาดญาติโยมก็ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนั่งภาวนาตั้งนาฬิกาเลยสักสามสิบนาทีแต่ละวัน ก่อ น, นอนหรือว่าตื่นนอนตอนเช้าดึกสงัดแล้วก็นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธอันนี้ก็คือเป็นการอบรมทางด้านจิตใจอบรมสมาธิอบรมทําจิตให้นิ่งให้ทําใจให้พักผ่เพราอใจของเรามันเหมือ่อล้าพลังแล้วคิดแต่ละวีแต่ละวันแต่ละวัยเวลาขนาดนอนหลับไปก็ยังฝันอกีกไปลว่ามัน มันเมื่อยมันล้าเพราะนั้นต้องให้มันพักพักด้วยสมาธิให้มันเน่งกำหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธให้ใจอยู่กับตัวเองถ้าว่าจิตได้พักผ่อนจิตสงบจิตนเน่งแล้วนั่นแหละท่านจิตจะมีกำกำลังจะนําจะทําหน้าที่อะไรจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันเพราะจิตใจของเราได้พักผ่อน นี่แหละสมาธิเนี่ยคือพักจิตสรุปแล้วการนอนหลับเนี่ยพักกายพักกายคือนอนหลับเปลี่ยนปล่อยวางทั้งหมดไม่ได้ยึดอะไรทั้งหมดตื่นมาแล้วก็สบายอันนี้คือสบายกายสบายในระดับหนึ่งถ้านอนหลับชนิดเรานอนหลับเราก็สบายกายแต่สมาธิเมื่อจิตสงบไม่ปุง่งไม่ฟุง้งไม่ซ่านทำใจให้สงบทำใจให้หลับให้หลับ ให้ใจหลับให้ใจนอนหลับให้ใจอยู่นิ่งอันนั้นก็เป็นความสุขในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุเทธเจ้าว่าเป็นความสุขที่ลึกซึ้งนัตติสันติพรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าจิตใจสงบไม่มีเพราะนั้นใ้พวกเราพยายามนะทำใจให้พักพยายามทำจิตให้สงบทำใจให้พักผ่อนให้ ให้นอนหลับเหมือนกันแต่ไม่ช่วยนอนหลับในสมาธินอนหลับนิ่งจริงๆเป็นสมาธิหัวต่อก็ไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ต้องศึกษาแต่ด่านแรกก็คือทํากําหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นด่านแรกถ้าวันเราทําได้แล้วจิตใจไม่ปุ้งไม่ฟุ้งไม่สซ่าแล้วนั่นแหละทีนี้ต่อไปจะต้องศึกษาไปเรื่อยๆว่าวิธีการทําอย่างไรเพราะนั้นวิธีการของเราเนี่มากมาย แต่วิธีทำนายอย่างเดียวทำแบบง่ายๆเราก็ยังเรียนไม่รู้จักจบเหมือนกันถ้าว่าเราทำนาเพียงแต่ทำจากแต่ว่าทำไปเฉยๆชาวนาคนนั้นก็ไม่พัฒนาอีกเหมือนกันทั้งที่เขาไร่หนึ่งเขาได้ตั้งหลายถังตัวเองยังได้สี่ห้ากถังอย่างเก่าอยู่อันนี้ว่าชาวนาไม่พัฒนาอันนี้ก็เหมือนกันนั่นะการนั่งภาวนาก็ต้องศึกษาพัฒนา ไปทีละน้อยละน้อยเหมือนกันถ้าว่าจิตใจของเราหมดความสงสัยพ้นทุกในวัะสงสารเมื่ อ, อไรเมื่อนั้นลหละแปลว่าหมดหมดพัฒนาแบบนั้นจบแปลวผมพรมจานร์จบแปล ว, มมลวไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่าแล้วอันนั้นแปลว่าจบแต่ถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นแล้วมันต้องศึกษามันต้องใส่ใจต้องศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดนั่นแหละ ให้พวกเราทุกๆกท่นนะกานศรัทธาญาติโยมทุกคนนะพระสงฆ์ทุกองนะอย่านิ่งดูได้อย่าทั้งอยู่ในความประมาทสิ่งภายนอกอย่าไปหาทำอะไรทำให้คนอื่นเดือดร้อนใจตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนนะ่ะไม่ดีทั้งนั้นล่ะต้องอยู่ในความสงบอย่างสมณะอย่างพระ เ, เมื่อวานหลวงพ่อก็ได้ไปโรงพยาบาลศรีนะคริน เขานัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนสมทบมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแต่สร้างมาเสร็จเมื่อ 2,550 บริการมา 2,551 ถึง5 2ก็ต้องได้ใช้จิตัุปัจพระสงฆ์เทศเข้าไป รักษาบางตัวก็ใช้ยาแพงบางองค์ก็ใบสุทธิบัตรทองไม่พร้อมแต่ก็ป่วยเข้าไปก็ต้องได้เอาอาศัยจตุปัจจัยอันนี้แหละใช้ไปก่อนกองทุนหลวงปู่มั่นเพราะนั้นวันเมื่อวานก็เลยได้ออกได้ช่วยและรมทนุนกันกับฝ่ายพระสงฆ์แต่ก็นับว่าเป็นบุญของหลวงปู่มั่นอยู่นะ หลวงปู่คุ้มครองจริงๆว่างั้นเ่ะเนี่ยทั้งที่เศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยคนก็ไม่มากเท่าไหร่ดูๆแล้วก็ไม่มากพระสงฆ์ก็เหมือนกันที่เข้าไปเมื่อวานมีแต่รุ่นน้องของหลวงพ่อทั้งนั้นเนี่ยเป็นพระรุ่นน้องๆว่างั้นอะที่ให้ความใส่ใจสนใจแต่พอทอดผ้าป่าออกมาก็ได้ที่แรกก็ได้ห้าหกแสนโอ้แต่หลวงพ่อก็พูดแบบ ยกเมกพูดว่างั้นไดอวันนี้จะเอาทลายวะเอาสักสองล้านกันหน่า จ, จะพอมั้งวันนี้หลวงพ่อก็พูดไปอย่างนั้นเ่ะยกเมกพูดว่างั้นทีแล้วคิดว่ามันจะไม่ถึงพอเอาไปเอามาขึ้นไปล้านกว่าเออพอ่ล้านกว่าหรอเอารอบหนึ่งรอบสองพอรอบหนึ่งผ่านไปแล้วรอบสองมีตะแกงมกอมะข่อยขมนลยวะ่ะเทสวดเลยว่นเออเอาพ่อวันนี้วะ่ะ มีแต่เหรียญเหมน น, นออกเทเหรียนออกจากขันมันดังสดอตใช่ไหมหลวงพอ่อโอ้หมดแล้ววะถึงถึงแกงหอยล้วหมดแล้วหยุดก่อนอได้เท่าไรก็ได้ประมาณหนึ่งล้านเจ็ดเออเอาละเป็นที่พอใจวอแต่ถ้าว่ามีผู้ใจใหญ่หลวงพ่อว่าถ้าว่าเป็นมีผู้ใจใหญ่เอาเพิ่มทำไมสักสามแสนกั ล้านตัวเองน่ะเนี่ว่าเอ้าพ่อเอาทําพิธีจากนั้นเขาเลยทําพิธีทําพิธีไหว้พระจากนั้นหลวงพ่อปารบเรื่องงานน่ะความเป็นมาของหมูลนิธินี่เป็นมาอย่างไรมีความมุ่งหวังมีความมุ่งมั่นช่วยพระสงฆ์อย่างไรผล น, นั้นคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะการทําบุญ ร่วมสมทบทุนสงคราวนี้นะ่ะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าผู้ใดอยากปฏิบัติเราให้ปฏิบัติภิกษุคใ้เพราะนั้นเราลงทุนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ลงทุนเพื่อรักษาภิกษุคใ้เพราะนั้นเหมือนกับเราได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเมื่อเราได้ลงทุนลงไปแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินว่า เนื้อนาผืนนี้นี่นาไรนี้เนี่เออนาทุงนาทุงนี้นเน่เป็นเนื้อนาบุญถ้าเป็นท้องนากับเป็นทุงนาที่สมบูรณ์ด้วยน้ำด้วยปุ๋ยเออเวลาหว่านพืชลงไปได้รับผลเต็มที่ไม่ถวกไม่แรงแง่งอกเงยได้รับผลสมบูรณ์เพราะเหตุไรเพราะว่าเราหว่านลงในพื้นนาที่ดีก็คือ เมื่อเราได้ทำบุญไปแล้วกองทุนนี้ก็จะเข้าไปนอนสงบนิ่งอยู่ในบัญชีคอยรับใช้ครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาครูบาอาจารย์พระสงฆ์ป่วยเข้ามาก็นี่แหละแต่รักษาเห็นไหมเดี๋ยวนี้กับพระมหาเถระผู้ใหญ่อายุตั้งเก้าสิบกว่าปีองค์หนึ่งก็มานอนรักษาตัวอยู่ที่นี่แล้วก็อีกองหนึ่งและจากนั้นกับพระสงฆ์อีกไม่เคยขาดเลยในตึกหลังนี้ เมื่อท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วท่านก็จะได้ปฏิบัติศาสนากิจของท่านแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนถ้าว่าท่านพ้นทุกข์แล้วถ้าท่านไม่พ้นทุกข์ท่านพยายามตะเกียกตะกายหาทางพ้นทุกข์ที่ท่านหายจากป่วยแล้วจิตใจของท่านจะหลุดพ้นจากอาสวักิเลสเพราะเราได้รักษาสุขภาพร่างกายของท่านล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทางนั้นเราทําอย่างอื่นเราก็ทํามาทำมาค้าขายอย่างอื่น ทำมาหาเลี้ยงชีพยอย่างอื่นเราก็ทำแต่การลงทุนอย่างอื่นเราก็เคยลงแต่ลงทุนทางจิตใจในการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยช่วยกันทุ่มเทนะลูกลาเนอนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้มีกำลังก็ออกตามกำลังของตนเองผู้มีน้อยก็ออกตามน้อยแต่ถึงยังไงได้มาร่วมงานถึงขนาดนี้หละบาทห้สิบตางจะไม่ได้เหรอก็ควรจะทาบุญ บาทหนึ่งก็ได้ห้าสิบชาตั้งก็ได้ได้มาพวกเราได้มาพบมาเจอเนื้อนาบุญแล้วจะปล่อยให้ผ่านผ่านไปโดยที่ไม่ได้คิดในอ่านอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าเราเหมดขุนค่านะลูกหลานศรัทธาญาติโยมนะหลวงพ่อก็พูดลักษณะอย่างนี้แล้วอพอเทศจบลงมาแล้วโอ้ได้สองล้านเก้าหลวงพ่อสองล้านเก้าแสนกว่ายังขาดอยู่สามหมื่นนอยๆเ่านั้ะ สามหมื่กว่ากีบบาทยังไม่ถึงล้านอ้าวมันจะถึงล้านแล้วเนี่ยสองล้านแล้ววะอ้าวหลวงพ่อใครจะเอาไหมถ้าไม่เอาเลยหลวงพ่อจะโปยยอดให้มันถึงน่ะที่นี่วะมันใกล้แล้วเนี่ยว <g ül> ่ะเพรานั้น ค, คุณคุณนายท่านผู้พิพากษาเมืองอุดรนะติฉันกับหมูจะเอาคนละครึ่งกันหลวงพ่อเออดีก็เป็ดอันว่าเมื่อวานได้เงินสองล้านเหมือนกันแต่ เอาเข้าของทุนหลวงปู่มันได้เกินสองล้านเออเอาเป็นที่พอใจว่ะเศรษฐกิจอย่างนี้การดำรงชีพของพวกเราฝืดเครื่องอย่างนี้ก็ได้เงินขนาดนี้ก็นับว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งแต่จะทำยังไงได้เศรษฐกิจอย่างนี้การเป็นอยู่อย่างนี้แต่พระสงฆ์ก็ยังป่วยอยู่ทีถ้าว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์โอ้ยศรัทธาญาติโยมฝืดเครื่องอย่นี้เราไม่ป่วยหรอก เออก็ค่อยยังชั่วแต่นี้ก็ยังป่วยยังเก่าจะทําทยังไงเพราะนั้นพวกเราก็จะต้องหาหาทุนช่วยช่วยร่วมรวมกันเนอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการหาทุนเนี่ยไม่ใช่ว่าหลวงพ่อสร้างโรงพยาบาลหาทุนให้แล้วหลวงพ่ออยากจะมานอนโรงพยาบาลไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่คิดใหม่ถ้าใครคิดอย่างนั้นต้องคิดใหม่อหลวงพ่อคิดว่าเออด้วยบุญด้วยบุญด้วยกุศลที่ได้ช่วยโรงพยาบาลได้ช่วยออกทุนรักษา พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์สัมมาณีทุกองค์ตลอดถึงแม่ชีกองทุนนี่ด้วยบุญกุศลทางหลายทางมวลนั่นอ่ะอยาให้ธาตุขันของผู้ข่าดไดมานอนโรงพยาบาลเนอถ้าจะไปก็ให้ไปง่ายๆแต่ถึงยังไงก็ไปอยู่แล้วล่ะไม่มีใครจะอยู่ชั่วฟ้าได้ล่ะที่ว่าโอ้คพระเจ้าจะไม่ตายไม่คิดอย่างนั้นชักที่ึยังไงก็ตายอยู่แล้วล่ะ แต่จะขึ้ถึงยังไงก็ตายก็ไปแบบง่ายง่ายเจ็บไข้ได้ป่วยไปแล้วก็เอาหมดหมดไปจะให้ไปทนทุกทรมานเดือดร้อนสงช่วยเหลือพระสงฆ์องค์ระเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่ า, าหลวงพ่อคิดอย่างนั้นเท่านั้นเองนะแต่อนาคตนันจะเป็นยังไงก็สุดแท้แหลนะท่านเยว่าเพราะว่าเราตั้งใจอย่างนั้นเราทําบุญอย่างนั้นอแต่ว่าอนาคตมันจะตะลีตะเหลือ ก, กระเสือกกระสนก็เอา สุดแท้แต่มันเป็นเรื่องของธาตุของขันจะทํำยังไงได้แต่ใจของเราเท่านั้นแหละมันจะเป็นยังไงก็เป็นร่างกายเหมือนกับรถโซเฟอร์รถเนี่ยถึงจะรู้อว่าตัวเองเอาไม่อยู่มันลงเหวอ่ะเบรกมันแตกออะขันส่งมันหลุดอย่างนี้จะประคับประคองหมุนมวนวงมาลายขนาดไหนหมุนมันก็ไม่ไปเพราะขันส่งมันหลุดเอเหยียบเบรกเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่เพราะอะไลเบรกมันแตกะ จะทํายังไงได้ก็รุกทางรู้่ะออกมายืนอยู่ข้างนอกเอาสุดแท้แต่เนี่ยเหมือนกับหางจิ้งเหรีนี่ยที่มันขาดออกจากหางตัวเองตัวเจ้าของจิ้งเหรีมันก็มองอยู่หางมันดิ้นอยู่ททัดทัดทัดอยู่งั้นนจะทํายังไงได้มึงจะดิ้นมึงจะดิ้นอย่างไรมันก็ห้ามไม่ได้จิ้งเหรียญนี่มันก็มีตะดูหางตัวเองขาดมันก็ดิ้นอยู่นั่นนะทายังไงได้อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อจิตใจของเรา มันบังคับไม่อยู่นะร่างกายมันจะชักติ่นชักงอกระตุกกระติกตาเหลือกกระเสือกกระสนมันก็เป็นเรื่องของธาตุขันแต่ใจในความบริสุทธิ์ของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะมองดูเท่านั้นเองเออเอ้ามันเป็นของธาตุขันร่างกายมันก็เป็นอยู่อย่างงั้นน่ะจะทํำยังไงได้ก่อนที่มันจะตายมันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยมันดิ่งว่างั้นแต่มันจะมันธาตุสีมันกระตุกธาตุสีมันจะแตกจากกันว่างั้นได้ เป็นอย่างนั้นแหละอันนี้เราห้ามไม่ได้ใจของเราห้ามไม่ได้เหมือนกับโซเฟอร์ห้ามรถที่มันเสียคันส่งเบรกแตกอย่างนั้นอ่ะมันเอาไม่อยู่อ่างั้นแหะธาตุขันเป็นอย่างนั้นแ่ะแต่ขณะ น, นี้เราบังคับมันอยู่อยากจะให้พูดอะไรก็บังคับมันได้เราจะทำอะไรก็ให้ทำได้แต่จุดหนึ่งมันทำไม่ได้นะจุดนั้นมันทำไม่ได้แต่คอยดูก็แล้วกัน เราเห็นมาหลายๆายคนแ่ะวมันทําไม่ได้ขนาดยืนอยูดที่เฉยก็ยังปากเบี้ยวปากบิดสมองเส้นเลือดแตกในสมองจะพูดอะไรยังอ้ออ้ออ้อจนพอแรงยังค่อยพูดออกมาได้เพอาะเหตุไดมันอยากจะพูดได้อยู่แต่เครื่องมือมันออกมาใช้งา น, น่ะมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันทําไม่ได้มันออกอย่างนั้นไม่ได้แต่ใจเรู้ทั้งรู้แต่บางคนก็เขียนจดหมายเขียนเป็นตัวหนังสือ แต่บางคนก็ปากก็พูดไม่ได้อีกเขียนหนังสือก็มือสั่นอีกทีนี่ก็ไม่รู้จะทำไงมีแต่ยกไม้ยกมือยกผิดยกถูกไปงั้นเถอะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นใจัางทีรู้ว่าตัวเองอยากจะพูดอะไรบางทีก็กลุ้มใจาบางทีเผลอจะเป็นบ้าอีกต่างหากหเผลอเส้นเลือดแตกซ้าไปอีกเหมือนนั้นะพะมันโมโหกันไม่ได้อย่างใจตัวเองฮะอย่างนั้นมันก็มีเหมือนกันนะ นี่แหละกายกับใจอาศัยกันอยู่บางทีใจรู้ทั้งรู้แต่มันใช้เครื่องมือไม่ได้ร่างกายของเราเนะี่ยไม่ไปตามบังคับบัญชาเพราะงั้นอยากจะให้พูดอย่างหนึ่งอยากจะให้ทําอย่างหนึ่งมันก็เป็นไปตามที่ใจคิดไม่ได้ฮนี่แหละอีกสักวันหนึ่งมันมีนะให้คิดเอาไว้สิ่งเหล่านี้นะออย่าคิดเอาไว้อย่าไปมองต่อคนอื่นตัวข้าพเจ้าคนหนึ่งฮไม่รู้มันจะออกในรูปแบบไหนฮอีกสักวันหนึ่งทายไม่ได้เพราะงั้นะ พนนั้นสิ่งไหนก็ตามที่เป็นคุณงามความดีแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนให้ประกอบเอาไว้ให้ทำเอาไว้ไม่ถึงร้อยปีแน่แล้วเะงั้นแตไม่รู้ว่าวันไหนต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยมันไม่รู้จะออกมาอีกรูปแบบไหนแล้วเพราะนั้นให้เราสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้่านมีบุญในจิตในใจมีบุญของเราเต็มหัวใจแล้วนั่นทะมันจะตาย ร้อนก็ยิ่งดีจะตายหนาวก็ยิ่งดีจะตายจุม่มแช่น้าก็เย็นอีกเหมือนกันฮะตายไฟกันเพามันเผาไปเลยฮะถ้าเป็นพระหารตายละท่านไม่ได้เดือ ด, ดร้อนอะไรทั้งหมดจะตายตกเหวตกบ่ออะไรก็ตามท่านไมเ่เดือดร้อนพระหารตายนะถ้าตายแล้วท่านก่อนน่นห น, ะนีออกจากร่างเดินออกจากร่างแบบสง่าผ่าเผยเลยแล้วันะไม่สะทกไม่สะทานไม่วันไหวไม่เสียอกเสียใจอะไรทั้งหมด ทึ้งพาชนะดินไปรับพาชนะทองคำใช่ไหมพระหานท่านไปอย่างนั้นแต่ปุตุชนไม่เป็นอย่างนั้นนะปุตุชนนตรงกันข้ามเสียอกเสียใจร้องห่มร้องให้เป็นทุกข์เป็นร้อนกับธาตุขันร่างกายไม่ไปตามบัญชาจะไปตามบัญชาได้อย่างไงว่าสังขารร่างกายมิใช่ตัวตนของเราเป็นตัวตนของเราขออย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะมันก็ต้องฟังอันนี้มันไม่ฟังนะจะเป็นของเราได้อย่างไร นี่หลกทํหลักสำคำส อ, สอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วสอนอีกบอกแล้วบอกอีกแก่พวกเราท่านทางลายนะตอนนี้ไปรับพรนะัตอนนี้อนุโมทนาให้ปร